ถ้าโสมนัติเวทนาที่เกิดจากการตามระลึกอ น, นั้นเนี่ยนะซึ่งไม่ใช่เป็นไปกับตัณหาหรือมานะเนี่ยนะอันนั้นเป็นกุศล เ, เวทนาอันนั้นควรเจริญและอย่างหนึ่งปีติปราโมทบางอย่างเนี่ยนะถ้าปีติปราโมทที่เกิดจากการยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยอันนี้ให้เห็นโทษแต่ปีติปราโมทที่เกิดจากกุศลธรรมอันนี้ควรพ่อพูนนะควรเจริญให้มากนะ น, นั่นเน่คำมะสุขเป็นต้นจึงไม่ควรกลัวว่างั้น พระพุทธเจ้าที่ที่พระองค์ไปบําเพ็ญทุกข์กิริยาบางครั้งก็เพราะกลัวสุขต่อเนคขมมะแต่ตอนหลังพระองค์ก็มาวิจัยแล้วว่าเออเราไม่ควรกลัวต่อสุขที่เกิดจากเนคขมมะไม่เป็นการติดเลยครับปัญหามันไม่ติดอย่างนี้สิมันไปติดแต่อย่างอื่นน่ะไปติดในสิ่งที่ไม่ควรติดน่ะนะถ้าติดจนถึงก็เข้าชานได้แหมเข้าบ่อยๆเลื่อเกินเงพระองค์สารเสินนะ นะขอให้ติดอย่างนี้สักทีเถอะพราะติดอย่างนี้นะสุขคติโลกสวรรค์นี่หวังได้แน่นอนอ่คืออย่างน้อยก็เรื่องพบเรื่องภูมินี่ก็เบากันนะ่ะ น, นะอบายเนี่ยปิดแน่นอนถ้าถ้าติดในเนคข ม, มสุขนะเอายกตัวอย่างนะถ้าติดในมหากุศลนเนี่ยขอให้ติดจริงๆอนะเพราะว่าสุกตัวนี้นี่นะครับก็เป็นทุกขสัตว์แล้วก็เป็นอุ ป, ปาทานตะขันด้วย เอางี้นะคำว่ายินดีในสุขเนี่ยนะยินดีในสุขโดยอารัมมณะปัจจัยหรือว่าทําให้ความสุขอันนั้นเกิดขึ้นคือถ้าหากว่าตัณหามาณเกิดขึ้นเนี่ยนะไปตามยินดีไอความสุขที่เคยได้แล้วอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสแต่ถ้าพออภูนทําให้ความสุขอันนั้นเกิดบ่อยๆเกิดมากๆอันนี้เจอร์นจึงไม่ใช่ความยึุติดในขณะนั้นเป็นการเจริญภาวนา คือถ้าหากว่าจิตมันเบาเลยนะถ้าคนที่เรียนมามากยังไงก็ต้องวิจัยอยู่แล้วคือถ้าตามหลักธรรมดาทั่วไปนะมีอะไรอย่างน้อยที่สุดขนาดเราซื้อของมาเรายังมานั่งพลิกดูมันคืออะไรเลยใช่ไหมเพราะถ้าเรื่องอย่างนี้ถ้าเราฟังทำมาขนาดนี้ยังไงก็ต้องวิจัยอยู่แล้วหรืออย่างหนึ่งคนที่ได้ฌานส่วนใหญ่เขาจะวิจัยเรื่องฌานแต่จะแต่จะวิจัยเพื่อเจริญฌานขั้นสูงต่อหรือจะวิจัยเพื่อการทายถอนอันนั้นเขาเรียกว่าแบ่งออกเป็นสองส่วนเรียกว่าวิเสสะภาคยะ หรือนิเพทภาคิยะก็มาแบ่งว่าถ้าจะเจริญกุศลธรรมหรือเจริญฌานให้มากขึ้นก็วิจัยฌานที่ได้แล้วเนี่ยใคร่ครวญว่าอันนั้นหยาบไปแล้วก็จะได้เจริญให้ปนีตปณีตขึ้นไปอันนี้เรียกว่าวิเสสะภาคิยะแต่ถ้าหาว่าพิจารณาถึงเหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้ฌานเกิดถ้าแล้วก็ใคร่ครวญถึงความไม่เที่ยงเป็นต้นต่อไปเป็นต้นก็เป็นนิเพทภาคิยะในส่วนแห่งการชําแรกกิเลสอันนี้ขอให้ได้ก่อนเนะ ในต่อไปนะอุบายการก้าวล่วงพบมีอบายเป็นต้นศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งการก้าวล่วงจากพบมีอบายเป็นต้นคือคำว่าอย่างนั้นเหมือนกันอุบายก้าวล่วงอบายเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยศีลเนี่ยนะอบายนี่แปลว่าไม่เจริญนะนะไม่ดีไม่เจริญไม่น่าอยู่ไม่น่าไปเลยถึงมีธุระก็ะไปเลย นะคือไม่น่าอยู่โดยประการทั้งปวงไง น, นะเป็นสุนัขเนี่ยนะถึงเจ้านายจะรักขนาดไหนก็อย่าไปเป็นเลยเพราะฉะนั้นอบายเนี่ยนะที่เราจะพ้นอบายได้จริงๆเนี่ยศีลแม้แต่ศีลบารมีเนี่ยนะที่ที่ว่าไปเมื่อวานนี่ใช่ไหมถามว่าทําไมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงแสดงศีลบารมีต่อจากฐานเนี่ยนะฐานศีลเนี่ยขามาปัญญาวิริยขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยนะทำไมจึงแสดงศีลต่อจากฐาน เพราะว่าทานนี่เป็นเหตุแห่งพกขสมบัติเป็นเหตุแห่งความมั่งคั่งอยู่ดีมีสุขเนี่ยนะนะแต่ว่าศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งภาวะสมบัติถ้าภาวะวิบัติก็คือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเนี่ยวิบัติแน่ถ้าไปเกิดที่นั่นนะนะแต่ถ้าว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นต้นไปเที่ยว่าพบสมบัติเนี่ยนะศีเลนะสุขติยันติว่างกันแนตะ่ศีลเนี่ยเป็นเหตุให้ไปสู่สุขติคือการเกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมยามาดุสิตนิ ม, มานรดีปรนิมิตวัตสวัตดีเนี่ยนะพูดอย่างนี้บางคนเมาเฮ้ยพบหน้านี่มันช่างไกลเหลือเกินท่านเอาเรื่องพบนั่พบนี้พบหน้ามาแสดงยังก็ว่ารู้ว่าว่าจะตายเมื่อไหร่ย่างนั้นเลยนะ <c oughs> บางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยพบหน้าเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี่เป็นเรื่องไกลตัวเกินไปว่า ง, งั้นคนที่พูดอย่างนี้ก็อายุไม่ค่อยยาวนะบางทีอ่ะก็ไปซะล้ะเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัวนะอันอบายเนี่ย ใครจะรู้ว่าพระพระราชินีองค์หนึ่งไงไหมไปเกิดเป็นหนอนอะ่ะแล้วก็ไอเมียภรรยาของมค ะ, ะมานโนหรือนางสุชาดาใช่ไหมเกิดเป็นนกกระยางอย่างเงี้ยแล้วก็อุบาศกคนหนึ่งอะ่ะที่เกิดวิปฏิสารตอนหลังตายไปเกิดเป็นจระเข้อย่างเงี้ยนักิสูจลายรูปที่ไปอบายเนี่ยนะสังคติถูกไฟไหม้เหางเงีน้นเธอในเปรตในนรกเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นของไกลๆอะไรเลยนะ ยังเลือ ก, กเลืเอกแล้คนคนอายุน้อยกว่าเราเขาก็จากเราไปทั้งเยอะนะเขาไปก่อนเราทั้งมากไหมพรันเวลาได้ข่าวาว่าใครตายบอกเออไปก่อนเดี๋ยวเตรียมสเสบียงค้างกันะไปเหมือไงมันจะตามไปเมื่อ้งไม่ได้อยู่คงไม่คิดว่าจะอยู่ค้ำโลกเมื่อไงเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอบายเนี่ยจะพ้นได้เพราะอาศัยศีลเห็นไหมพันถ้าศีลไม่ดีนี่แหมยากนะสุขติภพเนี่ยหวังได้ยาก อุบายเป็นอุบายก้าล่วงกามาธาตุเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยสมาธิถ้าหากว่าเฮ้ยสุขติพบเน่งก็ยังหิวหิวอยู่เขาว่างไนเขาบอกว่าความการมาสุขเนี่ยนะสุขในกามภูมิเนี่ยสัมนวนของเท้าสกตะเท้าสกตะที่กล่าวในเนมิราชาดกว่าไงเหมือนสุขของเปรตเขาว่าไง ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าสแสวงหาความสุขจากอารมณ์ภายนอกซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจึงเหมือนกับความสุขของเปรตเหมืนกันแต่ว่าฌานสุขที่เกิดจากฌานเนี่ยสุขที่อิ่มในตัวเลยนะอิ่มในตัวเลยโดยที่ไม่ต้องไปเที่ยวหาจากข้างนอกเลยแต่ถ้าการมาสุขนี่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าหากว่าการมาสุขเนี่ยนะถ้าหากว่าจะทานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไปตามหาถึงไหนถึงไหนกันเน่ยนะเพื่อเอาไอา้หาความสุขหรือว่า จากอาหารถ้วยเดียวเนี่ยนีโอ้ไปสักไกลเลยยังไงความสุขจากชมวิวทิวทัศน์บางแห่งเนี่ยโอ้ยนั่งเรือตากแดดตากลมไปกว่าจะไปเจอไอวิวอั น, นั้นแค่นั้นเนี่ยไปแสวงหาความสุขจากรูปเสียงอันนั้นแต่ฌานสุขไม่ใช่อย่างนั้นสุขที่อิ่มในตัวเลยอะคำว่างั้นความสุขที่ไม่พร่องในตัวเองเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะต้องการพ้นจาก มนุษย์หรือเทวดาเนี่ยแม้แต่มนุษย์ก็ไม่อยากเป็นและเทวดาก็ไม่อยากเกิดแล้วนะชั้นไหนก็ไม่เอาสักอย่างต้องการหาความสุขที่เกิดในตัวว่างั้นอิ่มในตัวเลยก็ต้องเจริญฌานเจริญสมาธิแต่ถ้าหากว่าพลที่เห็นโทษเห็นภัยของภพทั้งปวงภพสามถูกไฟไหม้เนี่ยนะก็จะต้องก้าวพ้นจากภพทั้งหมดเหล่านั้นด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นอุบายก้าล่วงภพทั้งปวงเป็นอันทรงประกาศไว้แล้วด้วยปัญญา คนที่มีปัญญามองเห็นภพสามทั้งหมดเหมือนถูกไฟไหม้อันนี้ก็สา ม, มารถที่จะเข้าถึงที่สุดแห่งภพได้คือพนิพพานานนะก็คือเห็นโทษเห็นภัยในภพทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเนี่ยนะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่ออเรียมรักอเรียผลและนิพพานเพราะฉะนั้นแต่สาคัญที่สุดเนี่ยปัญหาเราจะอยู่ข้อแรกๆเลยนะ ก้าวล่วงอบายด้วยศีลเนี่ยนะอันนี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าก่อนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นแล้วแม่ถ้าอยากจะขึ้นพัฒนาไปดีกว่านั้นอีกก็ว่าเรื่องชาเรื่องสมาธิแต่ถ้าเห็นโทษเห็นภัยของภพทั้งปวงก็ต้องเจริญปัญญาเนี่ยนะแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะกล่าวถึงศีลไว้ทุกแง่ทุกมุม สมาธิก็กล่าวไว้ทุกแง่ทุกมุมปัญญาก็กล่าวไว้ทุกแง่ทุกมุมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการพ้นจากอบายก็ศึกษาวิสุทธิมัชฌนี่แหละถ้าต้องการพ้นจากกามะธาตุกามะพบเนี่ยนะก็วิสุทธิมัชฌ์อกนั่นแหละแต่หากว่าต้องการพ้นจากพบทั้งปวงก็วิสุทธิมัชฌ์อกนั่นแหละเพราะว่าวิสุทธิมัชฌแป ล, ปลว่าอะไรวิสุทธิแปลว่าบริสุทธิใช่ไหมมัชหมายถึงอุบายหรือทางคําว่าวิสุทธิมัช แปลว่าอุบายที่เป็นเหตุให้บริสุทธิ์หรืออุบายเป็นเครื่องบรรลุความบริสุทธิ์คำว่าวิสุทธิเป็นชื่อของนิพพานนิพพานนะจึงจะชื่อว่าบริสุทธิ์จริงๆบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวว่างั้นแถอะนี้ต่อไปเลยนะนัยะที่หกกล่าวถึงการละกิเลสโดยอาการสามในหน้าสิบเนะนะ อันหนึ่งการละกิเลสด้วยสามารถตะทางค่าประหารเป็นอันทรงประกาศไวแล้วด้วยศีลเนี่ยนะศีลเนี่ยชื่อว่าเป็นการละกิเลสแล้วนะแต่เป็นการละแบบตะทางฆ่าละด้วยองค์นั้นเนี่ยนะหรือว่าละชั่วขณะชั่วขณะขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นขณะที่กุศลศีลเกิดขึ้นก็ชื่อว่าละกิเลสในขณะนั้นนอันนี้ก็เรียกว่าละชั่วขณะ บอกว่าอำนาจการละองค์แห่งอากุศลนั้นด้วยองค์แห่งการเจริญกุศลนั้นจึงเป็นไปในบุญกิริยาวัตถุเหมือนการละความมืดด้วยแสงสว่างแห่งปฏิพฉะนั้นเห็นไหมก็คือละในขณะนั้นนั้นขณะที่กุศลศีลเกิดขณะนั้นอากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิดเลยนะมีแต่กุศลศีลอย่างเดียวเกิดขึ้นในสมัยนั้นนไหมอันในสมัยนั้นเนี่ยภาษะก็เป็นกุศลนะถ้า กุศลศีลเกิดขึ้นอย่างเดียวนะภาษาก็เป็นกุศลเวทนาก็เป็นกุศลสัญญาก็เป็นกุศลเวทนาก็เป็นกุศลเอกคะตาก็เป็นกุศลชีวิตตินทรียมณสิการเป็นกุศลหมดเลยทั้งมีตกวิจารณทิโมกวิริยะปีติฉันทะเป็นกุศลอีกในขณะนั้นศรัทธาวิริยะสติก็เป็นกุศลอีกเพราะฉะนั้นกุศลจิตเกิดล้วนๆในขณะนั้นละกิเลสแล้วในขณะนั้นแต่ละแบบต่างทางคละด้วยแสงสว่างแห่งปัจจีปนะถ้ามีไฟมาอีกดับอีกก็ นิวรเนี่ยทำปัญญาให้ทุรพลไม่น้นใช่ไหมถ้านิวร์ครอบงำดับกุศลอันนั้นอีกมืดต่อไปจุดต้นไม้อีกเพราะฉะนั้นการเจริญกุศลศีลแบบของพวกเรานะก็เหมือนกับจุดจุดเทียนในที่ลมแรงอ่ะนะขณะที่ติดก็สว่างลมเีกดับอีกโลผ้าเกิดดับอีกแล้วจุดไม่ก็อยู่อย่างนี้แหละ น, น, น แ, ตแต่ขณะที่สว่างก็จญทาเหตุแห่งความสุขไว้แล้วนะ การละกิเลสด้วยสา ม, มารถวิค้ำพนะปะหารเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยสมาธิเนี่ยนะวิค้ำพนะนี้บางทีก็แปลว่าข่มไว้นะก็บอกว่าการละกิเลสด้วยอํานาจนิวรธรรมะเป็นต้นนั้นๆก็คือการละการมชันท่านิวรพยาปาท่านิวรทีนามิท่านิวร อ, อุทธะจักุกุจานิวรและวิจิกิจชานิวรเนี่ยนะ การละธรรมะนั้นด้วยการห้ามความเป็นไปคำละในที่นี้ก็คือห้ามไม่ให้พวกนิวอ์เนี่ยมาท่วมทับเหมือนอย่างการกันแหน่บนพื้นน้ำด้วยการใช่หม้อทุ่มลงไปคือเอาหม้อเนี่ยไปวางมันก็แหวกพวกแหนพวกอะไรออกใช่หหรือถ้าหากว่าเรามีบ่อไหนที่มันแหนพวกแหนพวกจอกมากๆ ก, ก, ก็เอาไม้ใช่ไมไปขัดขัดขดไว้ก็แหวกเอาอะ สมถะที่เจริญขึ้นเนี่ยแหวกเฉยๆนะไม่ใช่ไปเอาเหมือนกับหินทับญ้านะไม่ใช่ไม่ใช่ไปทับแบบนั้นเพราะเพราะอะไรเพราะขณะที่กุศ ล, ลจิตเกิดอากุศลอยังไม่เกิดสูตรเขามีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขณะ ท, ที่สมถะเกิดขึ้นนะถ้าเจริญสมถะหนึ่งชั่วโมงเจริญฌานหนึ่งชั่วโมงจิตเป็นไปกับฌานชั่วโมงหนึ่งก็แหวกอากุศลได้ได้นานขนาดนั้นถ้าไม่เจริญอีกก็จอกแหนคลุมเท่าเดิมก็แหวกอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย แต่ในขณะที่แหวกในขณะนั้นก็เป็นเป็นการเจริญกุศลชั้นสูงเลยนะสมถะนี้นับว่าเป็นการเจริญกุศลธรรมชั้นสูงบางแห่งก็บอกว่าเหมือนกับใช้ไม้เนี่ยมากันกันเจาะ ก, กันแหนะเฉๆไม่ใช่ไปกดไปทับอะไรมันหรอกังคําว่าวิคัมพะณะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับเราไปกดอะไรทิ้งไว้นะแต่ว่าเป็นการแหวกออก น, นะเพราะว่าคนที่จะเจริญฌานจิตได้คนนั้นต้องเห็นโทษของนิวรณ์ทั้งห้า ย, นะยกตัวอย่างถ้าคนจะเจริญอสุภาแสดงว่าเห็นโทษของกามฉันทะคนที่จะเจริญเมตตาก็แสดงว่าเห็นโทษของโทสะเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการละกิเลส ด, ด้วยวิขัมภณะประหารเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยสมาธิการละกิเลส ด, ด้วยสามารถแห่งสมุทเฉทประหารเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยปัญญาน่านะ พ้นละกิเลสได้โดยเด็ดขาดทั้งหมดก็ต้องอาศัยปัญญาเนี่ยนะว่าสัตว์ทั้งหลายจะบริสุทธิ์ได้ด้วยกรรมเป็นต้นนะกรรมวิชาเพราะฉะนั้นคำว่าวิชาเป็นชื่อของปัญญานั่นเองนะที่ที่กล่าวถึงว่าในหน้าเจนะถอนถอยไปหน้า7นะว่าจะสัตว์ทั้งหลายจะบริสุทธิ์ก็ได้ด้วยปัญญาใช่ไหมก็คือข้อความในข้างล่างสุดเลยนะที่บอกว่า กรรมหวิชาหนึ่งธรรมะหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตที่อุดมหนึ่งสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดจดได้ด้วยธรรมะมีกรรมเป็นต้นนี้มีใช่ด้วยโคดหรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นวิชาก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งนะที่เป็นเหตุให้บริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นการละกิเลสทั้งหมดก็ต้องละด้วยสมุทเธทปหาสมุทเธทปหานั้นมีปัญญาเป็น เป็นหลักมีปัญญาเป็นใหญ่องค์มรที่เหลืออนุวัตตามปัญญาอย่างเดียวนะอนุวัตตามปัญญาอย่างเดียวจึงจะสามารถประหารกิเลสได้ต่อไปในยะที่7กล่าวถึงธรรมะอันเป็นปฏิปักษ์ต่อวีติกมะกิเลสเป็นต้นนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะศีลเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อวีติกมะวีติกมกิเลสนั่นเอง อย่างนั้นเหมือนกันสําหรับกิเลสทั้งหลายธรรมะอันเป็นปฏิบัติต่อวีติกมะคําว่าวีติกมะนี้แปลว่าการก้าวล่วงเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยศีลเ น, นี่ยนะเพราะว่าศีล น, นั้นมีสภาวะมีการไม่ก้าวล่วงนะเจตนาศีลเจตสิกศีล ส, สังวรศีลอวีติกมะศีลใช่ไหมเพราะฉะนั้นศีลมีเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ก้าวล่วง ทุจริตทางกายไม่ก้าวล่วงทุจริตทางวาจาเนี่ยเพราะว่าธรรมะอันเป็นปฏิปักษ์ต่อวีติกมะคือความประพฤติล่วงมาทางทวารนะล่วงมาทางกายทวารล่วงมาทางวจีทวารแห่งสังกิเลตคือถ้าไอปริวีติกมะกิเลสเนี่ยนะถ้าล่วงออกมาทางกายก็จะทำให้เกิดการกายทวารเนี่ยนะ กายทุจริตโดยอาการต่างๆเนี่ยนะกายกรรมทั้งหมดที่แสดงออกมาก็เป็นกายทุจริตใช่ไหมวจีกรรมที่ล่วงออกมาทุกคําทุกคาก็เป็นวจีทุจริตหรือบางทีเนี่ยนะทำให้เกิดกรรมมกิเลสปานาติบาตชื่อว่ากรรมมกิเลสอาทินนาทานการมีสุมิชฌาจารยเพวกนี้ชื่อว่ากรรมมกิเลสเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยนะไปเป็นปฏิปักษ์คือเป็นตัวละ พูดจริตทั้งทางกายทางวาจาและก็เป็นตัวละกรร ม, มกิเลสเหล่านั้นได้นะถ้ามีศีลทสอย่างยุงกัดก็ไม่ตกเป่าออกเขาว่ากั้นวันก่อนนั่งรถไปกับคุณโชอมคุณโชอมบอกว่าท่านอาจารย์ก็บอกศีลเนี่ยนะคนที่เห็นแล้วตกเลยกับเป่าออกเนี่ยนะสภาพจิตผมสังเกตดูแล้วแตกต่างกันมากคุณโชอมเล่าให้ฟังนะเราก็สังเกตดูนะเห็นคนเขาตกเป้อผมดูแล้วจิตเขาหยาบมากครับ ผมเป่าออกก็จิตก็ประณนีดกว่าอันท่าสังเกตดูนะว่าเออถ้าหากว่าอขณะที่ตบเนี่ยอาจล่วงมาทางกายทวารนั่นนะเป็นกายทุจริตแล้วก็เป็นกรรมมกิเลส ด, ด้วยนะในขณะนั้นเป็นกรรมมกิเลสแล้วก็ให้ผลนําเกิดได้มันจะเบียดเบียนตนไปถึงไหนกันนะ เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทำปัญญาให้ท<ร>ุรพลเนี่ยนะแ ม, ม, ม่กว่าจะยอมรับได้ก็ไม่ใช่ของนายกันนะว่าอากุศล ม, มีโทษใช่